ตอนอบรมกรมสรรพสามิตภาค1ระหว่างวันที่ 11-13 ถึงพฤษภาคม2559ตอนที่2ก็ให้นอนพักป่วนชีวิตในเงินเราแสนสาหัสนะเรื่องนี้เรียกว่าคิงสปีดเงินปุ๊บจะไปเห็นเดียวนี้ก็เลยมาแก้บลัชให้หน่อยนึงซึ่ง ภาพยนต์จริงนี่ยาวมากเห็นว่าเราย่อลงมาให้เห็นเนื้อหามัน เ, เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษจริงๆ90กว่าปีก่อนซึ่งฟ้าชายจอรเนี่ยเป็นโรคติดอักที่พวกครูทําให้รู้ว่าหลายๆโรคเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องกายภาพเป็นเรื่องอุปทา น, นาทีนี้วิธีดับอุปทานเนี่ยก็คือต้องทํำลายหั่ป่า เมื่อเจอหมอสเตรเลี่ยกคนนี้สั้นสุดยอดจริงๆนะเขาตัดขอจริงไม่รู้เรื่องนะสูบบุหรีก็ไม่ให้สูบคือว่าทำลายอัฐตาหมดแล้วก็มันมันแปลกมากสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเหมือนเหมือนตรงนี้เลยนะก็คือว่าเสียงเนี่ยเสียงนี่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มันทําให้ฟ้าชายเนี่ยลืมอุปทานตัวเองว่าตัวเองเป็นโลกติดอาฐแล้วก็แล้วก็อ่านได้ แล้วก็อ่านได้แล้วทีนี้ก็มาเต้นมาเช็คมาทําอะไรที่คือทําลายบุคลิกภาพทําลายรูปรักษณ์ทำลายอัตตาที่ตัวเองเป็นแล้วก็มาจับกริ้งที่นีมีกริ้งเรียงอย่าง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงที่เราเหวี่ยงแรงๆนะ่ะจิตเรามันจะเหวี่ยงเราลดมันจะกริ้งนะ <S <S 1> <S 1> คือช่วงที่กริ้งเนี่ยหมดรูปเลยแล้วหมดรูปเลยแล้วอิสระมาก นั่นแหละเมื่อจิตอิสระปุ๊จิตจะเข้าไปสิงจิตเดิมเราแล้วก็ปัญญาเก่าเราเนี่ยจะไหลออกมานะโรคทุกโรคเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรมกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลบี้หมัดหมาปวดหัวขายแย้เป็นอามตาะาอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายจากกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้ อีกวันหนึ่งเวลาเก่าที่เก่าแต่คนละวันนะสตรีท่านหนึ่งขับรถมายางระเบิดชายชกันห้าคนขับรถมาเห้าคนนี้คนใหม่มาฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุสองอย่างนี้ถามว่าทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตายบังเอิญแล้วเข้าใจว่าบังเอิญอุบัติเหตุบังเอิญคนนี้มาช่วยคนนี้มาฆ่า <c oughs> ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญ อุบัติเหตุแปลว่าอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดทําไมวันนี้พวกเรามาพบกันที่นี่ไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอยลอยไม่มีแม้แต่ลิงยากเกิดขึ้นลอยลอยนะทีนี้เราพิสูจน์ได้ยังไงท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมู้ท่านเห็นเรล่าต่างกันปฏิบัติเข้าไปในจิตเรา แล้วจิตเดิมเราเนี่ยประสบการณ์เยอะมากเราจะไปเรียนรู้อาจารย์เราข้างในเราจะเข้าใจสิ่งนี้นะก็ภาพเรื่องนี้ถ้าว่งวางๆอยากให้ไปเปิดดูในในอินเทอร์เน็ตมีนะ เ, เรียกว่า King Speed นะก็ดูดูถ้าดูทั้งหมดเลยเราจะเข้าใจเนื้อหาของมันนะพราะกรติาแตว่าย่อลงมานิหนึ่งนะให้ดูหลักการก็คือว่ากินเลสเนี่ยทให้เกิดปัญหาเรากินหวานบ่อย แล้วก็ติดหวานกลายเป็นกินเหลืองรอแล้วเราก็อยากกินหวานตัวอย่างนี้เป็นตัญหาแล้วนะเราก็ไปสแสวงหาของหวานมากินเมื่อได้กินสมอยากปุ๊บเราก็รู้สึกมีความสุขเพราะเราพอใจพอกำลังสุขอยู่คํามาแย่งไปปุ๊บ ก, ก็เลยเกิดทุกข์กิเลสทำให้เกิดตัญหาตัญหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานจะไม่เกิดทุกข์นะ ทีนี้เราจะดับตันหาได้ยังไง that, ดับความอยากได้ยังไงเพราะมันมีกิเลสแล้วนะนั่นแหละไม่ใช่ดับที่กิเลสนะเรากินข้าวเนีน่ยคนไทยเรากินข้าวเป็นกิเลสของเราฝรัง่งกินขนมปังเป็นกิเลสของเขาแต่ถ้ากินตามกิเลสไม่มีเรื่องแต่ถ้ากินตามตันหาเมืมม่อไหร่มีเรื่องถ้าอร่อยมีความสุขถ้าไม่อร่อยพุ่งทุกข์ันทีนะอุปทานมันก็เกิด น, นั่นแหละวิธีแก้ปัญหาอุปทานหรือตันหาเนี่ย มันเป็นอัตราเราแล้วมันเป็นความเคยชินเราแล้วนะภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมากเพราะหัวเนี่ยทำไมมันมันเพราะครูเพิ่งเจอเร็วๆนี้ก็เลยว่าเออมันเหมือนสิ่งที่เรากําลังทําเลยนะที่พูดเรื่องนี้เพื่อให้เน้นทุกท่านเข้าใจว่าพวกเราต้องมาเสียเวลาทําอะไรเนี่ยเหมือนเด็กๆไล้สาระมาเต้นมาลําอะไรเนี่ยนี่คือกําลังดับอุปทานเราอยู่นะกำลังดับอัตราเราทําลายอัตราตัวตนของเรานะทุกวันนี้เราทุก เพราะอะไรนะเพราะเรามีตัวตนมีทิฏติมานะอย่าว่าจะศัตรูเลยที่เราไม่ชอบที่หน้ามันคนรักกันอยู่ที่บ้านบางทีพูดขัดหูแค่นิดหนึ่งไม่มองหน้ากันสามวันเห็นหจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์รับปริญญาบัตรในวันเดียวกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาเอาเรียนภาษาศาสตร์จบแล้วไงจบสูงสุดเรื่องภาษาไงการคุยคุยกับไม่รู้ภาษา นี่คืออัตตาทุกคนไปหลงในความรู้ตัวเองก็สร้างอัตตาที่ติมานหามานะชีวิตเราตอนนี้บางทีทุกข์กับเรื่องไม่มีสาระอะไรข้อกลัวเดียวกันองคอ์กรเดียวกันทุกองคอ์กรมีปัญหาหมดตอนนี้ปัญหาทุกองคอ์กรไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่ปัญหาในองคอ์กรปัญหาก็คือว่าไม่มีเครื่องจักรก็ไปซื้อมาไม่มีโนฮาวก็ไปซื้อมาไม่มีเงินก็หาเงินทุนมาแต่ปัญหาก็คือมนุษย์ บุคคลบริหารจัดการคนนี่ยึงยากที่สุดนะทีนี้ถ้าเราทุกคนมาทาําำไรอัตราตัวตัวเองนะ้ำไม่อิสระแล้วเนี่ยไม่ทะเลอะกันอย่างน้ําแก้วนึงเนี่ยน้ายําใสใสแก้วหนึ่งเนี่ยเราเอาทรายลงไปมันจะไปอยู่ข้างล่างเราน้ํามันเทลงไปเนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนเราเกลือลงไปมันจะไปอยู่ตรงกลางทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันแต่ตอนนี้ไอศาสตร์วิชาลัทธินิการในการบริหารจัดการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาซ้ายหันขวาหันมันจะทั้งทุกคนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยซึ่งมันไปนขัดแย้งกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันเนี่ยไล่เรียกกันคุณพ่อคุณแม่เดียวกัน DNA เหมือนกันเลยเนี่ยไอ้ น, นี่ขี้แย น, นี่ไม่ขี้แยไอ้ น, นี่ไอคสูงไอคต่ํา กูคเคยถคยามนักเรียนศาสตร์ตอบกูหน่อยทำไมเป็นอย่างนี้ตอบไม่ได้แม้เครื่องเกิดมามก็ไม่เท่ากันแล้วคุณจะให้มันเท่ากันได้อย่างไรนะมีอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเราต้องเกิดปัญญายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเ อ, อื่อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติไม่ใช่น้ํามันบอกว่าไอ้ทรายมึงบ้าหรืออยู่ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจไอ้ทรายบอกมึงนั่นแหละบ้า อยู่ข้างล่างเย็นเย็ข้างบนตากแดดร้อนมากเลยเห็น ไ, ไหมไอ้เกลือบอกว่ามึงอย่าทะเลาะกันมา อ, อยู่ตรงกลางดีกว่าทุกคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งภาษาเดียวกันไงจบภาษาศาสตร์ด้วยกันทําไมคุยกันไม่รู้ภาษานั่นแหละเนื่องจากทุกคนมีทิฏติมรณะของตัวเองแต่ถ้าเราเวียนเวียนเวียนวียนเวียน ท, ทุกคนเข้าไปสู่จิตเดิมเราเนี่ยเราค่อใช้ภาษาไทยเหมือนเก่าแต่ไม่เหมือนเก่า เราจะใช้ภาษาสื่อกันให้เข้าใจกันแต่ตอนนี้เราใช้ภาษามาทะเลาะกันเพราะเราถูกแข่งขันเสรีว่าชนะก็ดีได้เปรียบถึงดีไงเพื่อร่วม ง, งานทำงานกันเดินไปต่างคนต่างไว้ยชนกันหน่อยหนึ่งต่างคนต่างโกรธเห็นไหมต่างคนต่างโกรธต่างคนต่างทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าจิตเราอิสระแล้วมันจะเกิดเมตตาของมันเองนะนะคือเราจะให้อภัยกันได้ ทุกวันนี้ไม่ใช่องความรู้เมื่อกี้คุยคุณหมอบรรชาแล้วคุณหมอโกมาด้วยก็นั่งคุยกันอยูตอนนี้ปัญหาของมนุษย์เสี่ยชาไม่ใช่เราไม่มีความรู้สังคมไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่ได้รับการศึกษาแต่เป็นเพราะคนได้รับการศึกษาที่ผิดหมอโกก็ยอมรับเหมือนกันตอนนี้เราแก้มนุษย์ไม่ใช่แก้ด้วยเพิ่มองความรู้ของเขาแก้โดยเราสลัดให้เราหลุดออกจากความรู้ผิด น, นั้นออกมาซะ ปัญญาเดิมเรามีอยู่แล้วอย่างเด็กๆมันเล่นกันเนี่ยมันเล่นกันมันมันบางมันเผลอมันชนกันล้มลงไปมันก็ไปร้องไห้ร้องไห้ลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อแต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกแค่วันหนึ่งจะหมดวีซ่าแล้ะคืนนั้นจะนอนหลับคิดถึงหน้ามันอีกต่อวีซ่าไปอีกสิบปีแบกภูเขาอยู่ใน ถามว่าเราฉลาดหีือเราโงทีนี้การให้อภัยทานแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยนะโอ้สุดยอดบุญเยอะมากได้กุศลเยอะมากดีกว่าไปสร้างวัดน้อยวัดปันวัดเราให้วัตถุทานเนี่ยหาเงินมาแทบแย่แยังแบ่งปันคนจนเออไปสร้างวัดสร้างวานะมันเป็นอุบายวิธีขัดเก่อความโลภ ค, ความเจตนีเราเราก็ได้นะได้อันิสง์คือได้ให้วัตถุทาน แต่ยังน้อยมากได้อา น, นิสงส์น้อยกว่าการให้ธรรมทานเนี่ยพ่อครูกําลังนั่งให้ธรรมการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาให้พ่อครูได้ให้ธรรมทานไม่ต้องเสียสตังแต่ได้บุญเต็มเลยเพราะเราไม่ขี้เหนียวความรู้ไงทุกวันนี้ทุกวันนี้ความรู้ให้กันได้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องเสียค่าท่าเทิงฉันค้นคว้าจะตายเขาต้องลิขสิทธิ์มันให้กันไม่ได้ใช่ไหม ธรรมทานเราเราไม่ได้ขี้เหนียวความรู้เราก็แบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันอันนี้ได้อย่างมีสงฆ์เพรา ะ, ะพ่อครูพูดทีเดียวเนี่ยนั่งที่นี่สามสี่สิบท่านได้หมดเลยมันกว้างมากแต่การให้ธรรมทานเนี่ยร้อยครั้งยังสู้การให้อภัยทานแค่คนเดียวครั้งเดียวไม่ได้ทําไมอย่างนั้นเพว่าเราให้อภัยเขาแค่ครั้งเดียวนี่เขาไม่ได้อะไรจากเรานะเราได้เอาภูเขาออกจากอก บุญคือเบาบาปขึ้นนะ่ะแต่ไม่ต้องเสียเงินด้วยวัตถุทานยังต้องเสียสตังธรรมทานยังต้องเสียเวลาเสียเปเสียงออกมาเห็นไหมแต่อภัยทานไม่ต้องเสียอะไรเลยง่ายที่สุดแต่ทํายากที่สุดลองลองดูตัวเองนะทุกคนให้ได้ไหมถ้าเราไม่ให้นะ แค่นี้ต้องชำระสิบปียังไม่เฟซสิบปีนะตายแล้วข้าม้พข้ามชาติยกตัวอย่างนะชาตินี้ทุกคนก็มีประสบการณ์เจอในกรนี่ถูกชะตาเว้ยไม่เคยรู้จักกันเลยนะเจอในขอนี่หมั่นไส่เว้ยนี่วิทยาศาสตร์ตอบสิมันฝังลากลึกมาตั้งแต่อดีตเกิดมาทวงนี้กันนะเรื่องนี้มีจริงนะพวกคูค้าขายที่อเมริกาเป็นคนไทยกลุ่มรแรกค้าคอมพิวเตอร์เนี่ย แตไม่ก่อนลูกน้องพป ฏ, ฏิบัติมามาพูดเรื่องเวียนว่าวตายเกิ ด, า ด, บ, ดก บ, กบาปบุญคุลโทษกฎแห่งกรรมมันไกลๆเลยเดี๋ยวโดนแตะ <c oughs> นั่งหลับหูหลับตาบอกเกิดปัญญามเป็นบ้าขี้เกียจก็ยังไม่ว่า <c oughs> ตอนนั้นเป็นด่าเขานะต้องไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นนนพอระเบิดปุ๊บจำได้เลยว่าเคยด่าใครบ้างไปเที่ยวกาว่าขอโทษมาเลยบางทีเราคิดว่าเรารู้เนี่ยสิ่งที่เรารู้น้อยนิดนยจิตเรานี่มหาศาล แั่นแหะอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวทุกท่านมานั่งอยู่ที่นี่แล้วนะี่พิกจิตอีกนิดเดียวเนี่ยท่านจะเจอสิ่งที่มหาศักดิ์สิทมากนะเราจะไปคุยกับคนมีอายุหลายล้านชาติอยู่ข้างในไนงะแล้วคนคนนั้นนี่ยซื่อสัตย์ต่อเรามากที่สุดเลยไม่ทําร้ายเราแน่นอนมีอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ซื่อสัตย์กับร้อยสุดพิกจิตเดิมเรา เขาไม่ทําร้ายเราแน่นอนเขาต้องอาศัยร่างตัวนี้เป็นเครื่องมือเดินทางของเขาพระกูแชร์ประสบการณ์นะพยานเป็นเด็กเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องพูดที่เราจับต้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเนี่ยตัวพกูเนี่ยเป็นบทพิสูจน์นะหลายหลายคนเห็นยี่สบเจ็ดปีพะกูทําอะไรเห็นแต่ไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันถูกอัปตราอะไรบังไว้หนะ <c oughs> เพื่อนรุ่นเก่าๆ เ, เนี่ยกอดคอกันเมาเล่ามาเนี่ยงงหมดไม่เชื่อหรอกเนาะ มาแสดงครับซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าคิดเหตุผลแบบตักกะมันมันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะไม่มีทางไม่มีทางทำไมเราเราอยู่ในประเทศที่สีวิไลที่สุดในโลกนะวัตถุนิยมสะดวกสบายเลยอยู่ๆก็ทิ้งมาทั้งหมดไปอยู่ในป่า น, นั้นได้ยังไงนะบ้าทเท่านั้นเองทำไมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคณะที่ที่พูดให้ฟังว่าอาดีตรัฐมนตรีสาธารสุข แพทย์บางคนนสงขาเนี่ยเาคณะใหญ่ไปเยี่ยมพ่อปูที่ในป่านั้นเราก็แลกเปลี่ยนที่นี้เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกมโลกจิตก็ถามว่าเห็นบอกฝึกจิตมีบางคนเป็นวิคนจริตนะบังเอิญตอนนั้นมีในแพทย์คนหนึ่งชื่อปกิตเผานะไปไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปหลงไปกิ๊กกึกอะไรฟ้องร้องกันอยู่ เนาะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นบ้าอะไรหละ่ะก็ไปรักษาเพราะว่านั่นแหละไปเอาหมอคนนั้นมาอยู่กับพ่อครูเดี๋ยวเขหายบ้ามีใบบ้างมีใครบ้างไม่บ้าเกิดมาวันแรกก็บ้าแล้วมีใครหัวเราะบ้างเกิดมามันร้องไห้ทาไมต้องดีใจสิทัดอิสามแล้วใช่ไหมอยู่ในท้องแม่อึดอัดไม่มันเกิดมามันไม่ต้องหัวเราะสิดีใจจะมันร้องไห้ทําไม เขารู้ว่าจากนี้ไปฉันทุกข์ละอยู่ในท้องคุณแม่อบอุ่นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวปลอดภัยเป็นสัญชาติยานนะยานรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจําได้หมายรู้ว่าเกิดที่ไรทุกทุกทีแหกบากล้อเลยบ้าแล้วบ้าว่าเกิดแล้วไงทีนี้ชาวเขาเนี่ยเขาถือผีถือสางพวกเราหาว่าพวกนี้หลงงงไ ง, งพวกบ้า ส่วนชาวเราเนี่ยถือศักดิ์ถือศียอแยกกันถือราบชดสรรเสริญพะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้านเนาะเป็นผู้ดีเนาะชาวเขาเขากลัวผีผีเขาก็ไม่ทําชัว่วเขาก็อยู่อย่างสันติเสรีไม่ต้องมีตํารวจสักคนหนึ่งเหมือนตอนนี้เขาูอยู่ในชุมชนนั้นนะ่ะนะกฎหมายบ้านเมืองตํารวจเข้าไปไม่ถึงนะแล้วก็อยู่แบบสันติไม่เคยมีเรื่องเห็นไหมแต่ในเมืองเนี่ย ท่ามีที่ท่านวชเต็มบ้านจำเมืองอายการสารเยอะที่สุดในโลกแล้วทําไมวุ่นวายกันมากบ้าหมดบ้าคนละอยา่างทีนี้วิธีจะหายบ้าเนี่มีอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้มาเอาความบ้าออกซะบ้ามันสุดๆเลยบ้าให้หลุดโลกเลยเราจะหายบ้า <c oughs> มาเต้นมาลํามาทําอะไรที่เราไม่เคยทํา บ้าอย่างมีสติตอนนี้หลายคนแล้ก็คู่บ้าแล้วมีเงินล้นฟ้าทําไมไม่เสพสุขทําไมอะไรมาอยู่ในป่านี้ทําไมถ้าพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าบ้ายอมบ้าแต่บ้าอย่างไม่มีทุกข์ดีกว่าบ้าหมดอยากหายบ้านะอย่าเติร์ดีเด็ดขาดนะผู้ครูเคยเป็นบรรยายที่โรงพยาบาลมุกดาหารแห่งนี้ พยาบาลก็ทะเลาะกันอะไรๆเขาก็จัดอบรมอะไรเนี่ยนะคุณหมอก็ามาฟังด้วยบอกวครูก็จี้ให้คุณหมอปวดก่อนคุณหมออย่าหลงตัวเองนะคุณหมอไม่เก่งหรอกนะเอดีอ๋ยวว่าจะโรคเอชโรคมะเร็งอะไรที่รักษาไม่หายเลยโรคภูมิแพ้ไข้หวัดก็คุณหมอรักษาไม่หายมันหายชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นอีกเห็นไหมมันหายหรือเปล่าไม่ได้หาย มันหายวันนี้เดี๋ยววันหล้งมันก็เป็นอีกไม่ได้เกง่งได้ผลคุณหมอก็ไม่พอใจเพราะครูบอกว่าถ้าเรารู้จักกินบริโภคธรรมโอสถเนี่ยนยะยาธรรมชาติขนานแท้เนี่ยนะเราจะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายอีกต่อไปอเขียนมาเล้ว่าคุูคูคคเป็นบ้างเป็นไปได้ยังไง ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออย่ากเกิดเกิดออกมาก็บ้าอะไรกันแหกปากร้องเห็นไหมมันต้องดีใจสิอยากเกิดมากก็เกิดมาแล้วดีใจสิร้องไห้ทำไมเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าสัญชาตาิญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอริชาติเขาจําได้หมายรู้ว่าเกิดที่ใด ท, ทุกทกทีนะอย่างสัตว์มันมีสัญชาตญาณ น, นะอย่างวัวบัญชา ก, ก็เกิดเกิด หลายปีก่อนพ่อครูเห็นหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะมีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่กรุงเทพเนี่ยคลอดลูกไปทิ้งที่สะพานลอยลงหน้าหนึ่งเลยนะทีนี้ก็ก็สือรู้ว่าแม่เป็นใครนะก็ไปจับแม่ได้ว่าทิ้งทิท้ง ท, ท, ท, ที่สะพานลอยทีนี้ที่ศูนย์เราพ่อครูเปิดกศนอเอาเด็กๆมาเรียนพราะครูไปสอเนเองการนั้นไม่ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวเรียนนล้มันจะฉลาดเกินมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ เด็กๆที่บ้านเลี้ยงไก่มาเลี้ยงค่ะเออเวลาจะออกไข่ทำยังไงถ้าเรามีชะลอมอยู่ที่สูงมันจะเลือกที่สูงเพื่อป้องกันสัตว์ไปควนมันเวลาออกไข่แล้วมันทํำยังไงมันก็ฟักไข่เวลาฟักไข่เป็นตัวแล้วทํำยังไงมันก็เอาลูกมันเนี่ยไปสอนลูกมันทํามาหากินถามว่าแม่ไก่เนี่ยเคยวางแผนเอาลูกไปทิ้งสะพานลอยไหมเด็กมันบอกว่าไม่เคยค่ะเพราะอะไรเพราะไก่มันมีคุณนะครับ เนี่ยพอกูอ่านนะโปรแกรมที่เราเข้าค่ายตรง น, นี้นะจะเรียกคำคุณธรรมเรารู้หรือเปล่ามันคืออะไรคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติไม่ใช่วิชาเรียนไก่มันก็มีเห็น ไ, ไหมมันมีคุณสมบัติตามที่มันทำหน้าที่มันนะเหมือนปลาน้ำจืดทำไมเขารู้ว่าต้องทวนกระแสคำตอบคือเขาไม่ไปโรงเรียน ถ้ามันไปโรงเรียนมันมักง่ายมันจะตามกระแสเลย <c oughs> สัญชาตญาณไงญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาณแนวจิตชาติเขาจําได้ไหมายรู้ว่าต้องทวนกระแสทำไมไม่รู้ว่ามันมักง่ายตามกระแสเอาทะเลเนี่ยมันตายหมดเห็น ไ, ไหมทําไมมันรู้มันเป็นสัญชาตญาณทุกดวงจิตมีหมดแต่ถ้าไปเข้าโรงเรียนรบกกไก่ขอไข่ซ้ายหันขวาหันอะมึงต้องตามกระแสเนะย สอนลูกหลานเราเป็นทาสไปตามโลกตามฝรั่งฟอ l ์โรอิสเมียนบฮตามไปว่าไม่ทันเพราะครูหลอกไปสี่สิบปีตามไม่ทันแลยมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันเนี่ยความรู้ไงจริงๆได้สัญชาตญาณคุณธรรมเรามีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันหายไปไหนยุคเราเนี่ยกำลังเห็นนะเขากำลังส่งเสริมให้หมู่บ้านสิหนห้าหมู่บ้านสิหนห้าไปที่ไหนก็มีแต่ป้าย ผลงานจบลงมาเป็นเป็นกระตักคือเป็นเอกสารศินห้าอยู่ในอยู่ในอยู่ในเอกสารพวกครูบอกว่ามันปลายเหตุทาสานมีศินห้าอยู่แล้วใครรู้จักทาสานบารู้ใช่ไหมฮนะทาซานมันไม่ต้องถือศินมันมีสินห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเอาเล่าแพงที่สุดในโลกให้มันกินบอกเฮ้อะไรก็ไม่ ca? รู้ไร้สาระ มันต้องโกหกไหมไม่ภาษามก็พูดไม่เป็นด้วยที่เราโกหกเพราะเรามีความอยากได้ของเขาไงภาษาเป็นมีศีลคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้ศีลพวกเราหายไปไหนพวกครูเนี่ยสี่สิบปีวิ่ไปตามโลกศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทั้งหมดกินเหล้าทุกยี่ห้อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองเล่นการพนันโกหกเที่ยวเตตทำภาษาคนหนุ่มเห็นไหม ทั้งที่เรารู้นะรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแล้วก็สูบรู้สมองรู้แต่จิตไม่รู้คุณหมอนี่ไปสูบมากแรกๆเนี่ยไ ป, น, ยไปนั่งเบี่ยงเบี่ยงวิ่งเข้ามาในป่าไปสูบสูบบุหรี่เพากาูถามว่าคุณหมอมานี่คุณหมอสอนคนไข้สูบบุหรี่ไม่ไหมคุณหมอสูบทําไมคุณหมอเป็นวิชาที่รู้จากเรื่องสุขภาวะมากที่สุดจะไหมมันมีประโยชน์สาหรับร่างกายหรือเปล่าเพราะไมมีคุณหมอสูบทําไมเห็นไหม องค์ความรู้ทุกวันนี้มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ถ้าเรารู้จริงๆเราทำร้ายตัวเองทำไม ห, ห็นะหมพิชาความรู้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้จบสูงสุดปริญาเอกคุยกันไม่รู้ภาษานะเพราะเขาเรียกว่า knowledge based มันเป็นมันเป็นสังคมองความรู้แต่มันขาดปัญญา เน่ที่เรามาปฏิบัติคตําตอบคือเราจะเข้าถึงปัญญาปัญญาทุกดวงจิตมีอยู่แล้วศินมีอยู่แล้วสี่สิบปีพ่อครูวิ่งไปตามล่วงไม่มีสินยี่สิบเจ็ดปีอยู่ในป่าไม่ต้องถือสินอีกแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนตอนนี้มือถือสาบ ป, ปากถือสินคือถูอถอดุดูดจนไหมมันหนาพ่อครูเบี่ยงทิ้งหมดแล้วแต่ว่าเมื่อเมื่อเราทํานายยึดต้นเหตุเราไม่มีความอยากแล้วทําไมจะต้องไปผิดสินล่ะ เราแค่ที่ต้นเหตุไงแล้วยี่สิบเจ็ดปีมันต้องกิงยาแก้ปวดม็ดเด็ยเม็ดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ต้องคิดเลยอนะคิดนี้ก็มโนกรรมนะคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกไดนะ้คิดก็ปวดหัวไงทีนี้เราเลิกคิดปุ๊บมันก็ไม่ปวดหัวนะบางท่านไม่เชื่อว่าเอ๊ะไม่คิดทํางานได้หรือทำไมทํางานต้องคิดละ่ะตํำรวจก็ไม่จับต่งางๆไม่ต้องขอวีซ่าอีกทำแบบตัวเบาๆเห็นไหม กานนี้ทํำไปด้วยกว็คิดไปด้วยนะเพราะเรากังวลห่วงใยเรามียนาโคตรไงแล้วไม่อยู่ปัจจุบันกับการที่เราทํา ง, งานนะถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยคนระับตอนนี้สอนไปเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าไปโรงเรียนก็ไปบ่มพ่อเด็กไปปลูกปลูกปลูกสำนึกเขาเด็กต้องเลี้ยวซ้ายเลียวขว่าต้องเป็นเด็กดีนะบางครเราเลี้ยงลูกนะลูกเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีในในยะก็คือว่าแค่อย่าทำชั่วให้พ่อแม่เดือดร้ อ, อนเท่านั้นเอง เราไม่เคยพาลูกไปทำความดีเลยเห็นไมแล้วมันจะไปดีได้อย่างไรเห็นไมคำว่าดีนี่คือให้ได้อาภาัยได้รู้จักผิดชอบตัวเองกับสังคมเราต้องพาเขาประพฤติพาเขากระทำเหมือนเมื่อกี้ที่คุณกับคุณคุณรมทนะทีนี้จริยธรรมคืออะไรจริยธรรมของฝรั่งเจอหน้ากันปุ๊บเช็คแฮนด์คนไทยเราหวัดด e ีค่ะมันเป็นมารยาทเป็น ประเพณีวัฒนธรรมครูที่โรงเรียนพาะครูเนี่ยเาก็เคยประชุมเขาขอพ่อครูวขอห้องพิเศษหน่อยห้องอะไรห้องจริยธรรมบอกคุณครูจะเอาไปทำอะไรจะสอนเด็กสอนจริยธรรมสอนอยังไงเออไหว้ท่านั้นไหว้ท่านี้มารยาทไปอย่างนั้นอย่างนี้บอกพ่อครูบอกจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่วิชาสอนเป็นจริยวัตรที่ต้องทำเป็นปกติ ต้องทําต้องทําเป็นปกติจากนี้ไปคุณครูทั้งสองโรงเรียนเนี่ยตอนเช้ายืนรอรับเด็กนี่ยกมือไหว้มันเด็กก่อนไหว้เป็นตัวอย่างแบบอย่างตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนมันเป็นจริยวัดคนไทยเรามีวัฒนธรรมไทยเราก็ทําตามว่าทำไตนะพวกกูไปอินเดียมาเรา่็วงนี้นะไปเมืองหลวงเขาเนวเดลีสตีเขายังนุ่งสาหรี ลองสีลมเราไปนุ่งสุดไทยเนี่ยเขาบอไอ้พวกนี้มัสแสดงหนังที่ไหน น, นั่นแหละคือจริยธรรมไงเขามาใช้เป็นเป็นวิถีเลยตอนนี้เราทิ้งหมดที่แล้วก็มารักษามันเนี่ยนะนะสังคมเราค่อนข้างเป็นสังคมปากว่าตาขยิบเรามีโรงเรียนเนี่ยวันนั้นมีผู้ตรวจเขาก็ไปเยี่ยมพรากูอะไรพราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพกูพกแลกเปลี่ยนหน่อยนึง มาจากกระทรวงศึกษาใช่ไหมเพราะกูถามว่าทําไมเราต้องคารมตงชาติทุกวันมันหมายถึงอะไรประเทศไทยรวมรดเนื้อชาติเมือไทยอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปลูกสํานึกให้เด็กมันคิดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะไหมเขาบอกว่าใช่นี่คือเป้าหมายของคนไทยทุกคนแต่ตอนนี้เร า, เาชาติไปจํานองเพื่อรักษาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเราไปบ้าวัตถุนิยมจนลืมพระศาสนา เราไปบ้าการเมืองแบบเลือกตั้งเสรีบ้าบอคอนหยบแบบฝรั่งจนลืมพระม ห, หากษัตริะสับกูถามว่าเรากล้าเปลี่ยนธงชาติใหม่ไหมให้มันกลายเป็นเสศัพท์สังคมการเมืองเราตั้งโจทย์แบบหนึ่งแต่เราทําแบบหนึ่งเป็นสังคมที่ล้มเหลวจริยธรรมไม่ต้องเป็นไม่ใช่วิชาสอนเป็นจริยวัฒนที่เราต้องปฏิบัติเป็นปกติถ้าองค์กรหนึ่งสร้าง วัฒนธรรมในองค์กรเป็นปกตินะมันก็คุ้นเคยแล้วเด็กไม่ต้องสอนมันเลยนะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนตอนนี้เราทิ้งมันหมดแล้วค่อยมาสอนอินเดียเขาไม่ทิ้งนะในเมืองหลวงเขาเลยนะเขาแต่งชุดคนอินเดียเนี่ยทํางานที่ตึกสูงเขาไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแต่ว่าเขาไม่ทิ้งรากเหง้าขงเขาไงบ้านเราเทกระโดนหมดเลย เท hey, หมดเลยไนงะพ่อครูนานๆออกจากป่านั่นมาพอมาแรกเปลี่ยนนะพ่อครูเป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยมือพ่อครูแต่ตอนนี้พ่อครูใช้ไม่เป็นแต่พ่อครูไม่ปฏิเสธในการใช้ยุคนี้ไม่ใช้ไม่ได้มือถือมัอนกับยี่สิบเจ็ดปีพ่อครูกดไม่เป็นนะถ้าไปทุลากกับแก้วชิปไปเนี่ยถ้าต้องแยกกันเนี่ยเขาอ้อยก้อ น, นเล็กๆมาใส่กระเป๋าพ่อครูว่าพ่อครูถ้าได้ยินเสียงเนี่ยกดปุ่มนี้ก็พอนะต้องฟังคําสั่ง พ่อคูโทรหาเขาไม่เป็นนะใช่ไหมกลายว่าพ่อคูเป็นเต่าล้านปีเป็นมนุษย์ต่างดาวหนะลังจากกลับมาจากอเมริการู้สึกสองสาปีพ่อคูขัพาเด็กสองคนนิดไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาไปเยี่ยมพี่ๆน้องๆอยู่กันนั้นไอผู้จัดการสาขาต่งตางๆลูกน้องเก่าพ่อคูเขาก็มาเยี่ยมพ่อคูมีมิสเตอร์ชักเข้ามาต่อว่าพ่อคูว่า ถามพ่อครูหน่อยสมัยก่อนเขาเรียกพี่ใหญ่สมัยก่อนพี่ใหญ่สอนพวาผมสู้เนี่ยพี่ใหญ่หนีทำไมมันก็พูดจริงนะพ่อกูเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะจุดไฟมันตลอดเวลาเลยชีวิตต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้สู้จะเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะนะทีนี้ถามเองก่อนเองสู้ไปทำไมตอบข้าก่อนมันบอกว่าพี่ใหญ่จำได้ไมสมัยก่อนพี่ใหญ่อยู่เนี่ย ผมขับรถอเมริการาคาถูกคุณอรตฟอยดตอนนี้ผมขับรถยนล์ยุโรปเมอร์เซเดเบนซ์และมีมือถือรุ่นใหม่ด้วยเพราะครูถามว่าแล้วมันเป็นยังไงวันหนึ่งโทรศัพ์ในสัญมัก ง, งานแดชั่วโมงไม่พอนะขับรถก็โทรกินข้าวก็โทรตื่ น, นอนก็โทรโทรโท ร, ทรนะมีเวลาไม่โทรอย่างเดียวสองสอ ง, สองเวลาคือเวลาอาบน้ำกับเวลานอนหลับ <c oughs> มันคล้ายๆสะดวกขับรถเย็นกรุงเทพมทีนจะชนกันตายอยู่แล้วยังยังพูดโต้ตอบเลยนะแล้วอย่างพี่ใหญ่เนี่ยไม่ต้องขับไม่ต้องถือเนี่ยใครสบายกว่ากันมันคล้ายๆสะดวกเนี่ยมันสบายจริงไหมเราไม่เคยพักประสาทเราเลยประสาทนิ้วปุ๊บปุ๊๊๊จะเล่าให้ฟังเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วครั้งแรกที่ออกมาในเมืองนะตอนนี้ทาสานเข้าเมืองนะบอกแก้วพาพ่อครูขึ้นไปนั่งรถ เมยหน่อยหนึ่งรถใต้ดินหน่อยก็พาไปเดินไปที่ไหนมันก็เดินบนคนเดียวนะอันนี้ก็บนนี้ก็บนพราะแก้พวกนี้มันเป็นอะไรเหรอใช่ไหมไปแก้ก็หัวเราะมัอนมันฟังโทรศัพท์ทำไมพอเข้าไปในรถไฟก็นั่งกดกดกดกดก็กดอยู่ตรงนั้นแหละมนุษย์พวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาพักผ่อนเลยระวังนะเราใช้ประสาทเราไม่มีเวลาหยุดเลยเนี่ยนะ เดียนะ่ยงน่ะมันจะแสดงอาการตอนที่พระละกํำลังเราอ่อนแอนะเห็นไหมมันกลายเป็นวิถีเราแล้วเห็นไหมญาติธรรมบางคนไปปฏิบัติที่ศูนย์พระลานคอยแล้วเนี่ยแอบแอบไม่มีคนอยู่มหาพระคุณเงียบๆคิดว่าจะได้สิทธิพิเศษพ่ะคูบอกเบอร์พระครูหน่อยหนย่บอกจดไว้โทรโทรโทอย่าโทร ถ้าพ่อคุณมีมือถือวันหนึ่งนึงไม่ต้องทำอะไรนะลูกศิษี์ลูกหาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมีแค่ฮัลโหลฮัลโหลอยู่นั้นแหละก็เด้งแล้วเนาะเห็นไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นเราไปสร้างบ่มเพราะสิ่งนี้กลายเป็นวิถีชีวิตเรากลายเป็นสิ่งจำเป็นแล้วแต่สำหรับพระคุณไม่จำเป็นบางครั้งเราทุกข์เพราะเรามีนะไม่ใช่ทุกข์เพราะเราไม่ม ขับรถไปดีๆแล้วอยู่โทรมาปุ๊บถูกด่ามาปุ๊บวีนเลยอารมณ์ดีๆเนี่ยหายไปหมดเลยนะเห็นไหมเราสร้างอารมณ์บิ้วอัปอารมณ์เราตลอดเวลาเลยทุกวันนี้เนี่ยสร้างอารมณ์แล้วก็ทําใช้ปภาษาทเราเนี่ยทั้งภาษาทหูปภาษามือของความคิดเนี่ยไม่หยุดมันไม่หยุดเลยเนี่ยนะอันตรายมากพอทํางานเหนื่อยๆวาเอาไปซื้อปุ๊บทัวไปอ่า ไปท่องเที่ยวนะให้กำไรชีวิต2ี่สิบปีไม่เป็นไรผมพูดออกมาพุชทริปแรกไปอินเดียเนี่ยท่องเที่ยวทุกวันนี้เป็นแบบนี้เลยต้องตื่นตีสี่ตื่นตีห้านะนั่งรถไปเจ็ดชั่วโมงมันเป็นเที่ยวสิบนาทีบอกเที่ยวแล้วไปจีนเหมือนกันอันนั้นไปทอสังขารไปทรออมานสังขารให้มันหนักขึ้นบอกไปเที่ยวคนโบราณเขาท่องเที่ยวเนี่ย เขาท่องไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีเงื่อนไขเวลาแต่ตอนนี้ท่องเที่ยวมันกลายเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหมดเป็นเล่นตัวเองไปเลยไม่ได้พักผ่อนหรอกไปเหนื่อยมากขึ้นเพียงแต่ว่ากิเลสมันชอบเฉยๆมันก็กบเกลืนความเหนื่อยใช่หไหมล่ะทีนี้กีฬาเหมือนกันตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาบอกกีฬาเป็นยาวิเศษไงเล่นเพื่อให้มันมันร่างกายแข็งแรงใช่ไหม แต่ตอนนี้กีฬาก็เป็นธุรกิจการกีฬาเหรอเป็นการแข่งขันเครียดอีกชีวิตเราน่ากลัวมากไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะไม่มีเวลาสันทนาการกับตัวเองเลยการท่องเที่ยวคือการสันทนาการเล่นกีฬาเป็นสันทนาการแต่ตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจหมดแล้วถ้าพวกเราไม่ระวังนะเราใช้ชีวิตเรายังไม่บัญญับบรรยัญญงเนี่ยพออายุมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดียง นะพ่อครูก็ออกมานะก็เท่านี้ออกมารู้สึกงานมันรอเยอะมากเลยโอเคไม่เป็นไรเหลือเวลาวันหนึ่งก็ทําวันนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพ่อครูไปเพชรบูรณ์อําเภอน้ําเหลาก็ไปอบรมคอร์สหนึ่งที่นู้นจิตพ่อครูบอกนี่ใช่หรอเขาอําเภอนี้เป็นแบบอย่างพ่อครูเลยตั้งชื่อ น้ำหนาวโมเดลพ เ, เพราะเป็นอำเภอเล็กๆมีแค่4ตำบล น, นะพ่อครูก็บอกผู้อเมริกาโรงพยาบาลปติบัติด้วยเนี่ยเอาเรื่องสาธารณสุขนี้ก่อนนะอบรมเจ้าหน้าที่สาสุขทั้งหมดในอำเภอพอสอมมทุกหมู่บ้านเดี๋ยวพ่อคูจะหาทุนให้นะแล้วก็พอเสร็จแล้วบุคลากร น, นี้อบรมนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตรงนั้นบุคลากรเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะเพราะว่า พู้อนการโรงบยนบาลรายงานว่าควปีนี้เนี่ยต้องเพิ่มงบประมาณ 30% เปอร์ซกับค่ายาในขณะที่ประชากรไม่เพิ่มขึ้นขนาดว่าเป็นอำเภอที่ยังบริสุทธินะโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากบ้านเมืองจะแก้ปัญหานี้พวกเรามีหน้าที่พวกเรามีหน้าที่อะไรนะก็เรกว่าปิดท้องหลังพระเก็บภาษีเก็บภาษีให้ก็มาจ่ายค่ายาพวกนี้นะต่อไปก็ยิ่งมากขึ้นไม่ใช่แก้โดยเพิ่มยานะต้องแก้โดยไม่ต้องใช้ ย, ยา ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะเพราะกูก็เลยตั้งโมเดลน้ํำหนานะเพราคิดว่าจะทําให้เป็นเป็ น, เ, ปนเห็นเป็นรูปธรรมแล้วตัวเลขทั้งหมดเนี่ยอัชฉากรหรือว่ า, เ, าเรื่องสุขภาวะดีขึ้นใช้ายาน้อยลงอันนี้โมเดลนี้กำลังเกิดขึ้นกําลังเดินอยู่นะครับบ้านเมืองปัญหาเยอะแยะเราแก้ปลาเหตุแก้ตรงนี้ก็โผล่ตรงนี้แก้ตรงนี้ก็โผล่ตรงนี้นะ มนุษย์เราสรับสนมากปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่มีโน้ตฮาเราไม่มีองค์ความรู้นะปัญหาคือคุณธรรมเราเนี่ยหายไปหมดคุณสมบัติธรรมชาติของเราหายไปหมดลูกสาวพวกูมาอเมริกาใหม่ๆแล้วก็ฝากโรงเรียนในหมู่บ้านมันจนทั้งหมดแหละไม่ต้องแข่งขันโอเคไปเรียนได้ผ่านลงที่หมู่ในหมู่บ้านนั้น่ะ เขาเลี้ยงกระต่ายไงเขาก็เอาให้น้องขีมาคู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กๆนะนเนี่ยเพราะน้องขีนี่เกิดปีกระต่ายกูทุกข์กขีเลี้ยงมันขังมันไม่ได้นะบาปนะก็เลยเดือดร้อนว่าต้องไปกั้นนัวเนี่ยเอาเอาตะแกรงเล็กๆ ห, หนึ่งไร่เลยเพื่อไม่ใหสุนัขไปทำทำลายมันหนึ่งไล่นะมันก็ดูด้วยมันเป็นกระต่ายป่าไงนะมันก็อยู่ด้วยมัน พอผ่านไปหกเ็ดเดือนมันโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแหละสักพักหนึ่งไอต้ตัวตัวกระต่ายสาวมันตั้งทองคือพกอูผิวปากก็วิ่งมาหาเลยนะมันสนิทกันมากทีนี้สักพักหนึ่งเห็นไอ้ขนมันดุดเป็นหยองย่องไอ้ตัวผู้รังแกนมันหรือเปล่านะแต่ไม่มีแผลเนาะอีกสองวันมันหายตัวไปเลยนะเห็นแต่ตัวผู้พกอูก็เลีวไปสายไปสอบมันขุดรูขุดรูเยอะมาก ตอนนั้นเป็นหน้าฝนมันก็อยู่ในชายคาที่ว่าหลบฝนได้มันขุดรูไปออกลูกแล้วก็ขนที่มันหายไปเนี่ยมันดึงไปให้ไปปูให้ลูกมันนอนตอนแม่มันเนี่เลี้ยงอยู่ที่กรงเหล็กไงเขาเขาปูผ้าให้มันใช่ไหมอ้าวที่นี่พ่อครูถามเป็นยังไงถึงไม่มีไปดับ นี้เราตั้งโจทย์ถามว่าการตายสาวท้องแรกนี่ไม่ได้ไปหาคุณหมอมันรู้ได้ยังไงมันตั้งท้องมันรู้ได้ยังไงว่ามันต้องขุดรูเปรียบออกลูกมันมันรู้ได้ยังไงว่าต้องดึงขนมันปูให้ลุกมันนอนเอาล่ะมันจําได้ว่าตอนเด็กๆมันอาจจะกินนมแม่มันก็เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็วิ่งออกมากินยญ้าก็ไปเลี้ยงไปสักพักหนึ่งลูกมันเจ็ดตัววิ่งออกมาเลยอันนี้เรียกว่าอะไร เรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมคือคุณมสมบัติตามธรรมชาติทุกดวงจิตมีสัญชาตญาณตรงนี้มีอยู่แล้วถ้าเกิดสัตว์มันคิดสนุกเหมือนเด็กสาวคนนั้นข้อดลูกทิ้งสะพานลอยอ่ะกูก็เอาตัวอย่างบางคอกูก็ทิ้งๆๆ้ศูนย์ปังเลยนะ <laughs> เรื่องใหญ่เลยนะสัตว์มันไม่กระทำเห็นไหมพฤติกรรมที่ว่าข้อดุ๊กไปทิ้งสะพานลอยเนี่ย ไ ป, ไปบอกว่าเป็นพฤติกรรมสัตว์เดรัจฉานไม่ได้นะสัตเดรจานไม่ทำอันนี้คือพฤติกรรมสัตว์ดำรงสัตวเรัจ า, าไม่ไม่ทำมันมีคุณธรรมไงใช่ไหมตอนนี้คุณธรรมรองหายไปไหนเนี่ยเพราะครูดึงจบว่าตอนนี้ปัญหามนุษย์เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราขาดคุณธรรมจริงๆแล้วไม่ได้ขาดนะทุกดวงจิตมีคุณธรรมอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแต่เราถูกความรู้ผิดมันครอบไว ความรู้ใดที่แฝงด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วทำให้เราเกิดทุกข์นั่นแหละคือความรู้ผิดโปรแกรมนี้มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์พ่อครู27่สิปีนะ40ี่ปีวิ่งไปตามโลกวิ่งไปตามความรู้นะทำให้ตัวเองเรี่ยงเลยเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพานะยีปีนี้เนี่ยเรามาริบกัดความสุขจริงๆความสุข ถ้าว่างๆเชิญไปเที่ยวที่ศูนย์ใหญ่นะเรามีที่กว้างมากมีป่ามีอะไรไม่มีร้วรอบขอบชิดหรอกนะไม่มีของหายไม่จต่หนึ่งชิ้นแต่มันคงหายทุกวันนะนะแต่ไม่ใช่ของพ่อครูรู้สึกปลอดปลอดภัยรู้สึกมั่นคงมากสมัยก่อนมีเงินเท่าไหรย่ยูเมกาเท่าไหรก่ก็ไม่รู้สึกมั่นคงเลยนะเห็นไหมที่สิบเจ็ดปีมั่นคงมากเ ห, หม ขนาดเรามีเงินไปเราก็แบ่งปันเหบี่ยงที่เหบี่ยงที่ให้เขาอยู่พอมันจะมาขโมยของเราไปใช้หน่อยก็ยิ่งดีไม่ต้องเสียเวลาเบี่ยงไลยมันเอามาถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหม <c oughs> เป็นทางเดียวที่เราจะพน้นทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเราอยากมีมีแล้วก็ทุกข์เพราะอยากรักษาไว้แล้วก็ทุกข์เพราะอยากมีมากขึ้นแล้ววันสุดท้ายกลับบ้านเก่าบาทเด่นก็เอาไปไม่ได้ แต่ทุกคนต้องมีอาชีพมีสัมมาอาชีวะนะอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่เล่นเกมรวยกันแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่อาชีพเล่นเกมรวยกันด้วย ก, ก่อนค่อยสุขนะก็5าปีที่พระครูมาบรรยายข้างนอกแลวก้วพระครูหยุดไปสองปีนี่เพิ่งเริ่มออกมานะสองปีนี้พายเริ่มออกมาเวลาโน่นเขาบอกหมดเวลา ก็หยุดเลยครับไม่ง <mean, S 1> ั <Empire their> <enes> anyway. ้นพ่อครูพูดไม่หยุดนะก็ให้ทุกท่านไปเข้าห้องน้ำพักผ่อนสักครู่นึง